ไม่ก่มาก นั่งก้นอีกเลยก็ได้แต่คือบางทีสักก็ฝึกดูกับความเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายบ้างแต่พอพอมันเจ็บมากๆแล้วต้องเห็นให้เป็นอะไรนั่นไม่เป็นอะไ ร, ไไรคือที่จริงเนีย่ยบางคนสูงอายุนะนั่งก้นอีกเป็นอักก็ได้แต่โยกก็ยังไม่เ้ยถูงยอะไรเท่าไหร่นั่งกับคื้นไปก่อนพอม่วยมากๆถ้าก็เห็นเป็นนั่งก้นอีกคือมันจะทําให้แต่ก่อนหลายๆคนก็นั่งกับพืนแล้วก็ นั่ได้ไม่นานาาาสติก็ปวดพอเราฝึกเปื่อยๆมัจมันจะเพิ่มใช้ายความอดทนมากขึ้นคือเม็มันไม่ใช่แค่เราฝึกว่าจะให้มันคนในใจเราอยารอยางแต่มันจะบางทีมันจะเห็นใจเราแค่ตอนปวดมากๆมันจะดิ้นๆๆไม่ไหวละแล้วก็ฝึกดูตรง น, นั้นเลยฝึกดูใจเราที่มันไม่ไหวแต่เราไม่ใช่ฝูกว่าตอนนี้มันปวดมากจะต้องใช้นะัด ความปวดไม่ได้ให้มันหายไปเลยไม่ไก็ไม่ใช่ไม่ได้ถึกแคนั้นเหมือนกันนะเพราะเราไม่ไ้ฝึกว่าจะต้องเอนั่งนานๆหรือว่านั่งแล้วหายเจ็บอันนั้นอาจจะยังไม่ใช่แนวทางที่เราต้องการแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าเมื่อสักครู่เราหน้าแรกมันไม่เจ็บต่อไปความเจ็บมันแทะเข้ามาข้องมังที่ขาที่หลังผมเนี้ยมันเข้ามาทั่วขราว พอเราเปลี่ยนถ้าเป็นนั่งเบื่ออ้าความเจ็บหายไปไหนแต่ก่อนเราเชคิดว่าความเจ็บนั้นเป็นเราแต่จริงพอเราเห็นว่าให้ความเจ็บนั่นก็ไม่แช่เรานะมันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็เปลี่ยนไปคือให้พยายามตามรู้ตามเห็นแบบนี้นะแม้แต่ตอนนี้เรายังไม่เข้าใจแต่มาบอกให้เป็นไกล้ลายไว้ว่าที่เราฝึกให้ดูดูกายมันจะเห็นเวทนาสั่นแสบในใจแบบไหนบ้างแล้วเราใจ แต่ก่อนเป็นธรรมดาพอความเจ็บนันแสนก้กเข้ามาถึงกายใจเราทุบไปกรบมันไหมถ้าใจเราไม่ทุบก็คแค่เห็นว่ากายมันทุบใจเราเป็นปกติดังอาจนี่ตอ็ถือว่าดีแต่ถ้าเมื่อไร่ที่ใจเร า, ป เ, จจาเป็นโจกความทุ้มด้วยตุ้งเจ็บด้วยเราต้องไปแก้ออกมาไปดูมันนั่นคือเป็นาการฝึกคันนั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมมันจะทำให้เราเห็นพวกนั้นซึ่งบางทีถ้าเราไม่ปฏิบนะัตินั้นเราก็จะเบียดบางที แล้วเราก็จะมีสนใจที่จะดูเราเพราะว่ามันยังที่โยมถามท่านม่วงไปนอนได้หรือเปล่าอมันก็ได้นะแต่ทุกครั้งที่มันมันม่วงก็ไปนอนเนี่ยมันก็จะอะไรตอนนอนเราก็มันยากบางที่รู้สึกวันนอนไปมันก็ก็หลับไปนะหรือบางท่านมันไม่หลับก็คิดไปอันนี้คือมันก็ได้มันได้อะไอะอาจจะได้การพักผ่อนเหมือนโยมอยากจะรวยเนาะ เราก็พ <c ười> ph ักผ่อนเยอะมันจะรวยไหมไม่ต้องทํางานนะอ่ก็พักผ่อนมากๆสบายดีแต่ก็ไม่รวยนะอืมเราก็ต้องทํางานอันนี้เรื่องเหมือนกันถ้าเราฝึกไปเพื่อจะเกิดความเข้าใจมากขึ้นเราก็ต้องก็ดูมันไปแม้มบางทีมันอาจจะง่วงแม้มีไอาจจะเหนื่อยอาจจะเมื่อยแล้วก็มีสติก็ดูมันแล้วก็ปรับเปลี่ยนตามธรรมาสน เพราบางทีที่ว่าม่วงนั่นเองนะเราจะแยกได้เป็นม่วงสองอบแบบบางทีง่วงเกิดจากการที่กายมันม่วงเช่นเวลากลางคืนแล้วเป็นเวลาที่เรานอนเป็นปกติสัญญาณของม่วงมันก็จะมาะคล้ายๆกับความหนียวอ่ะก็หนียวพอถึงนไปทำมก็จะมาะหรือบางทีอาจจะเกิดจากการไม่สบายกายแล้วก็เกิด เป็นไข้ลหล้วปวดหัวง่วงนอนนะก็เป็นเรื่องของกายแต่มันจะมีความง่วงอีกแบบหนึ่งคือง่วงของใจเวลาเราทําอะไรที่มันเจ็บปวดเหมือนเดิมซ้ำๆนั่นแหลมันจะถึงความง่วงง่ายนะขับรถ ก, ก็เหมือนกันนะขับรถถ้าถ้ า, าแบบแบบถนโนน้ำโล่งนะไม่กม็จะแรงใครนบะงทีจะง่วงง่ายใช่ไหมหรือเราทําอะไรก็แล้แต่นะอ่านหนังสือ อา่านซื้อสักเยงหนึ่งเดี่ยวก็ง่วงไยคือที่จริงความง่วงของ ใ, ใจมันเกิดจากการที่มันอยู่ในอารมณ์เดิมนา น, นๆมันก็เลยง่วงแต่ความง่วงนี้เป็นความง่วงที่เราต้องข้ามมันเหมือนกับอ่ามันจะเป็นรู้ว่าที่เราต้องข้า ม, ม, า ม, าปาาามไปมันเป็นอุปสรรคเป็ น, นปัาพระเรียกว่าเป็นนิวรณธรรมนะ อั่นิวรณ์ทางนี้ก็ไม่ใช่ว่ามันจะ็วามกั้นจิตระหลับถ้าเราข้ามมันได้หนะเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่ม่วงทุกคนก็ง่วงกันนะน้เดียวนะแม้แต่พระอริยะสงฆ์และบุคคลก็ง่วงนะแต่ท่านจะแยกได้ว่าอันนี้เป็นม่วงของกายหรือง่วงของจิตท่านง่วงของกายก็พักผ่อนพักผ่อนนอนหลับก็ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของง่วงของจิตเนี่ยจะไม่ยอมให้มันไปอักหลับเพราะว่าอะไ มันจะเสียมันจะเสียที่ใสอืออันนี้เราก็ต้องรู้นะเพราะบางทีแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติในรูปแบบมันจะมันจะหาช่องทางหนีทรม่องไป่ได้เก่งหนีทรมือกไปได้เก่ง ง, ไไกง่งงวงปุ๊บเราก็อันนี้มันสบายเนาะแปบ๊บซื้อกาแฟทีปต้งแก้วหนะึ่งอข้าใจไหมง่วงมาตีง่งงวงปุ๊บเอ้าปุยปกับเพื่อนเราก็หายลก ที่จริงไอ้ที่เราปั่นปั่นมัง่วงนะโยมให้ไปคุยกับคนนะันไม่ไกี่ประโยชน์แบบหายง่วงนะมันไม่ได้ง่วงจริงนะแต่ถ้าง่วงจริงใช่ไมตอนเราตอนคือนอะ่ะง่วง่วไม่อยากจะคุยกับใครดูอะไรก็ไม่ไหวแล้วหนังตาจะหลับไปนะั่นคือง่วงจริงแต่อีง่วงก็ไปคุยกับคุยต่อหน่ยเนี่ยแต่ยมันไม่ใช่ง่วงจริง ต้องตามดูความคิดแต่กลับมาจากความคิดมามารู้สึกกับกับกับกายที่เคลื่อนไปบางส่วนก็ได้เช่นเราจะคืนิ้วกมเบาไปมันจะคิดเรื่องออกมาันสมมติตัวเปรียบเทียบความคิดเหมือนกับมันออกมาจากหัวนะก็คิดตรงนี้ไปแต่จิตสมมุติจิตมันอยู่ตรงนี้อันนี้คือความคิดถ้าเราจิตเราไปสนใจที่ความคิดนะเนาะความคิดมันจะครอบงำจิต แต่เราเอาจิตตัวเนี้ยมาสนใจการเคลื่อนไหวแทนมันจะไกลจากความคิดแล้วเอ้ยความคิดก็อยู่ตรงนี้แต่จิตมันจะมาอยู่ตรงนี้แทนอยู่กับการเคลื่อนไหวแทนเบาเบาสบายสบายแต่บางทีจิตความคิดก็จะมีอิทุกคนดึงจิตไปอยู่กับมันมาขโมยไปอยู่กับมันเราก็กลับมาอยู่กับตรงนี้แทนคือเราไม่ไม่ห้ามความคิดก็คือว่ามันจะคิดเรื่องของมันแต่เพียงว่าเรามาอยู่กับการเคลื่อนไหวเบาๆแทน แต่ก็ไม่ใช่ว่าแต่ถัาตอนนอนนะอย่าไปทำแรงทำเบาๆต้องเคลื่อนเคลื่อนเยื่ไปบางทีก็โดนลงหายใจก็ได้หรือเอี่ยงอาจารย์ไ่บางทีชอบกระดิดเท้านอนกระดิดเท้าเล่นๆไปเดี๋ยวก็หลับไปบางทีมันก็ไม่แน่หรอนะบางทีกนะนอนแป๊บนึงคิดไม่นึงพอตัวแล้วก็หลับก็มีแต่ที่สำคัญเราอยากไปพยายาม บังคับให้มันดับยิ่งบังคับให้มันดับมันจะเครียดนะเครียดแล้วยิ่งจะไม่หลับมันไม่ดับก็เรื่องของมันอย่างเราเคยแม้บางทีก็บอนับลูแกะนะให้นับให้ได้ร้อยตัวบางทีเรานับได้สักตีติดตัวเนี่ยเราหมดหงุดหงิดแล้วทำไมไม่ดับตั้งทีไม่อยากที่จะนับใหถึงร้อยก็มหมดหุดหงิดใช่ไหมที่จริงนะมันไม่ดับก็ไม่เป็นไรก็รู้สึกตัวไป หลายร้ยครั้งพันครั้งแต่ที่จริงการที่ใจเราวางว่ามันไม่หลับไม่เป็นไรเนี่ยจิตใจเราไปพักแล้วนะแต่ถ้าเราจิตใจเราเป็นหมกมุ่นกับทำไมไม่หลับทําไมหนึ่งคิดนี่จิตใจเราไม่พักแต่ถ้าจิตใจเราพักตั้งแต่ตอนมันยังไม่หลับนะมันก็มันจะค่อยๆคลายๆไม่ค่อยที่จะไปหลับของมันเองแต่มันก็เป็นบาง แล้วแต่เหตุปัจจัยที่แหละบางทีมันก็ประเมิไม่ได้บางทีก็หลับง่ายบางทีก็หลับยากแต่ที่สําคัญก่อนจะหลับเราค่อยๆให้มันได้พักใจจะคิดก็ไม่เปไรคิดแล้วก็กลับมาไม่หลับก็ไม่เป็นไรไม่หลับก็กลับมาให้วางใจอย่างเนี้ยจริงการวางใจสําคัญกว่าเพราะว่าถ้าเราวางใจถูกพอมันหลับไปนะมันจะไม่ค่อยฝันอาจจะไม่ค่อยฝันหรือบางทีมันฝันมันก็รู้ทันแล้วก็มันก็ดับไป มันจะเป็นการพักผ่อนตั้งแต่ก่อนหลับขณะที่หลับก็ได้พักจริงๆตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีสติต่อได้ได้ดีเนาะอี น, นี้ไม่เป็นไรนนะค่อยๆยืดตยวไปให้ทำในเรียมที่สบายๆทําแบบเคลิ้มๆแต่ถ้าตอนหลับทําแบบหลัแ บ, บ, แ บ, บตาก็ได้นะแต่ถ้าตอนตื่นแนะนําให้ลืมตาทำนะแต่ถ้าตอนจะนอนก็กลหลับตาจะลมหายใจเบา หรือมันคือนิ่เบาๆหรือว่าปฏิท่าเบาๆนะอยากพยายามคิดตามนั้นแต่ก่อนตอนนั้มาไม่ก็ได้ปฏิบัติก็บางทีก่อนจะหลับ ก, ก็มักจะคิดอยูอ่แต่ตัวเด็กดิคิดเพื่อนที่มันสุขๆในแต่ละวันวนะมันคล้ายๆมาดีเพจความสุขในแต่ละวันนะเอ <c ười> เล่นกีฬามล้วมีความสุขนะี ตามนั่นท่างนี้มีบางคนเขาจะิคิดไปหลับไปแล้วก็ไปฝันต่อนะรางวันไปเต้นรึกรณนยิงประตูเข้าก็กลับมาคิดนอนหลับฝันก็ไปยิกอีกนะเราเก่งเนะนี่นันก็คือมันก็คิดต่ อ, อมันนะมันมันก็เป็นความคิดแต่นั้ น, ม, นมันไม่ใช่ทางที่ถูกคนระับแต่ถ้าเรามันคิดก็ไม่เป็นไรแ้ก็กลับมารู้ึกตัว อันนี้เขาตื่นขึ้นมาอย่าคว่าอาจารตุ้ว่าตื่นขึ้นมามันฝันเรื่องอะไรก็อย่าไปตีความมันนะก็แค่ของมันผ่านแล้วเรามันจะชีวิตใหม่ในวันใหม่คือการตื่นขึ้นมาไม่ต้องไปทำไมมันตื่ฝันแบบนี้ฝันไปแล้วก็แค่ของมันตื่นขึ้นมาดืงความฝันนั้นแล้วอยู่กับชีวิตจริงในปัจจุบันแทนอันนี้ไม่เกิความคิดก็เหมือนกันทำามันถึงคิดเช่นนี้ก็ไม่ต้องไปตั้งท้งทามมาต่อ กลับมารู้ตัวกับการทำในปัจจุบันแทนได้จริงความคิดหรือความฝันก็มีค่าเท่ากันหรือแม้แต่ดาวลงที่เกิดขึ้นจริงนะก็มีค่าเท่ากันแต่มันก็หายไปนะอย่าไป เะป็นแบบนี้อตั้งต่นานแล้วหอยังไม่นาน่เป็น ความตั้งใจมากขึ้นแล้วก็มันก็จะจําได้แต่ถ้าบางเรื่องเราไม่ได้ให้ค่าเราก็ไม่เอยากจะจํามันก็ลืมไปได้หรือบางทีอาจจะเกิดจากบางคนอาจจะสนใจอาจจะไม่ถึงจุดให้ค่าแต่มันสนใจรายละเอียดที่แตกต่างกันบางคนไม่สนใจเรื่องชื่อเท่าไหร่มันก็จะลืมชื่อได้ไง่ายแต่อาจจะจําได้เราคุยกับคนนี้คุยเรื่องอะไรหรือหน้าตาเขาเป็นแบบไหนหรือว่า อาดงในีขณะที่คุยเป็นแบบไหนแต่มอาจจะจําชื่อไม่ได้แต่มาอย่างนั้นะก็ลืมชื่อคนประจักเหมือนกัน <c oughs> จำบางทีถามปุ๊บเนี่ยลืมปั๊บก็มีนะัอะถ้ามันก็มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ไม่ฆ่าแต่พิมพว่าเราไปนสนใจอย่างอื่นมากกว่าสนใจบทสนทนาสนใจความรู้ความรู้สึกตัวเองขนณะที่คุยมากกว่าเราก็อาจจะลืมประเด็นสําคัญบางอย่างไป แต่ที่จริงอย่างบางทีบาคนเข้าใจว่าสติคือการที่าการขาดสติเช่นรเราลืมกุญแจลืมกระเปา๋าลืมปิ ด, ดประตูหรือเปล่าลืมปิดไฟหรือเปล่าอันนั้นบางทีอาจจะไม่เกี่ยวกับแค่เรื่องของจิตเลยตรงอาจจะบางทีเกี่ยวกับเรื่องของของประสาทก็มีนะบางคนแก่ไปแล้วจะหลงลืมลืมนั่นลืมนี่อาจจะเป็นเรื่องของประสาทเรื่องของความจํา แต่ถ้าสติในทางธรรมะมันเป็นเรื่องของอาจจะลืมอะไรไปแล้วแต่ใจไม่มีดทุกขก์กับมันเช่นสมมติให้เราลืมกระเป๋าไว้ที่ไหนจะไม่รู้นะมันหายแล้วหาไม่เจอถ้าถ้าเราไม่มีสติคลุ้มคลองใจเราก็เด็ทุกข์นี่กระเป๋ามันหายก็ะจะพยายามก็เดดทุกข์ละแต่ถ้าเรามีสติเอออย่างน้อยก็รู้แล้วว่ากระเป๋ามันหายใ จ, จเป็นปกติดได้ก่อนแล้วก็เ ป, ป็นหาเป็นเป็นคิดหรือว่า เราไปเดินตรงไหนหรือเราไปวางทตรงไหนไม่จะต่างกันตรงนี้แต่ถ้าคนไม่มีสติไอ้ของมันก็ดื่มไปด้วยใจก็ทุบไปด้วยนะอันเนี้ยมันมันจะต่างกันไม่เป็นไหนนะไอ้ที่ดืด่ๆไปบ้างถ้ามันไม่ใช่เรื่องสาคัญของชีวิตก็ช้างของมันเถิดแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่สําคัญก็ให้ใต่ใจมากขึ้นนะให้ใต่ใจมากขึ้นแต่จริงสติตรงนี้คือการระลึกระลึกรู้อารมณของเราเอง เวลามันทุกข์เราก็บางความทุกข์ได้เวลามันสุขเราก็รูว้ว่ามันสุขแล้วก็ไม่ไปยึดติด ก, กับความสุขถ้าเรามีทติตรงนี้นะมันจะทําให้ชีวิตของเรามันก็จะทุกข์น้อยลงแล้วถ้าเราเสริมสมาธิเข้าไปสักหน่อยเนะี่ยมีความตั้งใจมีความตั้งใจในสิ่งที่สาคัญที่เราต้องเกี่ยวข้องเช่นการจะปิดประตูก็ใส่ใจในการดูตรงนั้นนะ หรือว่าเอากระเป๋าเอาโทรศัพท์วางไว้ในติใจตรงนั้นแล้วความใส่ใจตรงนี้มันจะทาให้เราจำได้พอเวลาเราตั้งใจคิดนะแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจมันจะหลงลืมอะไรเป็นไปง่ายใส่ใจสักหน่อยเป็นการเสริมสมาธิคือความตั้งใจเะไรตรงนี้ ก็เชื่อมมันเยอะแต่บางทีเช่นสมมติว่ามันหมุนไปแล้วเราเกิดความสงสัยเกิดความเมีแบบมีความคิดมีคําถามเกิดขึ้นให้เราต้องรู้ทันใจรอที่มันสงสัยที่มันเอ๊ะอะไรเกิดขึ้นมันเอ๊ะในใจรอให้เรารู้ทันการเอ๊ะในใจแต่ถ้าเราไม่รู้ทันการเอ๊ะในใจเราก็จะไปคิดที่มันเป็นเพราะอะไรอะไรต่างๆนานาเพราะนี่นมันจะทํำให้เราหลงไปคิดเสมอ ชัดของมาันบางทีมันเนื่องภายนอกบางทีแม้เราจะรู้ชัดแต่บางทีมันก็ไม่แน่ <c oughs> นั่นแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกมันแต่เราสิ่งที่เราสำคัญคือเรากระสนใจการเคลื่อนไหวของเราเองการเคลื่อนไหวของกายแต่เคลื่อนไหวของใจตรงนี้คือสําคัญอย่างการเดินต่างๆนั้นไม่ต้องไปสนใจมากว่าตื้นมันจะแข็งตื้นมันจะนุ่มมันจะเย็นหรือมันจะร้อนไม่ต้องไปสนใจตางนั้นคนระับ สนใจการเคลื่อนหรือว่าพอสัมผัสไปแล้วเรามีความรู้สึกเช่นไรเช่นพื้นมันเย็นไปบางทีเราก็กลัวมีความคิดต่อนะมันเย็นไปเดี๋ยวเราจะหนาวเดี๋ยวเราจะไม่สบายคิดกลัวไปเนี่ยบางทีมันความคิดเป็นแบบนี้จริงหรือบางทีอันร้อนไปแล้วก็รู้สึกว่าเมันไม่สบายนะเดี๋ยวต้องหนาวอะไรเย็นไปแล้มันจะมีความคิดท่น่าเข้ามาแทรกอยู่เสมอ แต่ก็โพดแ่นี้ไม่ใช่ว่าให้เราไม่ไม่แก้ไขนะบางทีเราแก้ไขได้ก็แก้ไขแต่แท้แก้ไขไม่ได้เราก็แค่แค่ียกว่าอะไรสังเกตสังเกตใจเราว่ามันมันรู้สึกแบบไหนไปด้วย ไม่ได้แล้วก็มาเปลี่ยนไปดูกายแท น, น, ะะนก็จะเนาะก็บางทีเวทนาบางอย่างมันมันหนักนจริงจรก็ก็ให้กจะมาเกิดใจตายแทนแต่ถ้าเวทนาบางอย่างมันมันพอดูได้ก็ดูไปเห็นว่าตายมันไมีคุเสียใจที่ความเจ็บ น, นะแล้วก็มีสติแยกออกมาดูตาา่างหากใช่ไหมอันนี้คือกายส่วนนี้คือกาย อันนี้คือเวทนาที่มันเข้ า, ามาครอบงำกายติเป็นเพียงแค่ผู้เห็นมันถ้าเรารู้ได้แบบนีก็เห็ น, นอืมใช่แต่มันเวทนามีสองแบบเวทนาเช่นความเจ็บถึงกับกายแต่มันจะมีเวทนาอีกอย่างหนึ่งที่ใ น, นสติปัญญาคือเวทนาของจิตจิตเช่น มีความทุกข์เกิดขึ้นอันนี้คือเวทนาของจิตมีความสุขเกิดขึ้นนี่คือเวทนาของจิตอันนี้นะไอ้ที่ความเจ็บในที่จริงมันเป็นเวทนาของของกายเป็นเรื่องของกายแต่ความความทุกข์หรือว่าความสุขมันเป็นเรื่องของจิตเพราะฉถ้าเราจะดูเวทนาของจิตดูที่ตรงนี้แต่ถ้าเราจะดูเวทนาของกายมาดูที่ความเจ็บความปวดแต่จริงถ้าเราแยกจริงจริงนะเช่นต่อมันต่อยสมมตินะต่อยที่แขน มันก็เจ็บที่แขนแต่ขาอาจจะไม่เจ็บก็ได้ใช่ไหมขาอาจจะไม่เจ็บแต่คราวนี้พอเราไปดิ้นว่าแขนเราเจ็บเราปวดมากคราวนี้มันไม่ได้เจ็บแค่แขนมันรู้สึกว่าเราเจ็บน้าตัวเราเจ็บใจเราทุกข์ไปด้วยเห็นไหมอันนี้ถ้าเราแยกได้มันก็จะทําให้เรามีสดาจะเห็นว่าอย่างบางทีนะอย่างบางคนปวดท้องมากๆ พอใจเราไปอยู่ความปวดทอ้องมากๆไงเราก็ทุกข์แต่เราแยกว่าไอ้ที่ปวดเป็นเรื่องแค่ทอ้องแต่บางทีเราเปลี่ยนได้นะท้องมันปวดขี้มือไปขี้มือไปอาจจะบรเทาความปวดของท้องได้ก็ราะว่าเราดึงจิตออกมาจากความปวดท้องมันอยู่กับการเึลื่อนไหนี้มาาันจะคล้ายๆแต่ถ้าบางทีเวทนามัน น, น, ม น, น้ำเนาะเดี๋ยวมันก็ปวดแล้วลก็เป็นผู้ปวดแล้วมันก็ออกเป็นผู้รู้การเคลื่อนไหวของกาย เดี๋ยวความปวดมันก็บันดึงจิตเข้าไปปวดใหม่อีกแต่อย่างนั้นมันก็ทําให้สลักเกินไปเนี่ยยังดีกว่าการที่เราแค่อยู่กับความปวดตลอดใช่ไหมพอเราแช่กับความปวดตลอดเราก็ปวดแล้วก็ตัวอย่างมันจะปวดหนักกว่าเดิมใช่ไหมแต่ถ้าเราท้องมาบ้านอ่ะมันจะค่อยๆทวกเราคล้ายๆเหมือนกับน้ํากับไฟเดียมนะตอนจะบอกว่าน้ำน้อยยิงแช้ไฟมันก็ถูกนะ แต่อย่างน้อยน้ําน้อยน้อยก็ไปบ่อยก็ไปบ่อยก็ไปบ่อยไฟก็อ่อ น, น, นกำลังลงไปเองนะอันนี้ก็เหมือนกันไอ้ที่เราดีสติออกมาไบ่อยเข้ามาบ่อยเนี่ยมันจะทําให้เราคลายๆอย่างหนึ่งไม่เติมฟืนเข้าไปอย่างหนึ่งเป็นการดับไฟนิดน้อยลงไปก่อนค่อยๆออกมาแล้วก็เราจะเป็นพวกใหม่ก็ดีเป็นพวกเก่าก็ดีก็บางทีมันก็ประเมินประเมินกําลังในขนามนั้ น, นเอา บางทีเวทนาที่เกิดขึ้นถ้ามันบางๆหรือว่ามันไม่หนักมากพอดูได้ก็ดูไปเแ็บตรงๆแต่ถ้ามันมันไม่ไหวสมาติไม่พอก็กลับมาดูกายแทน สุขดีแต่เราก็จะติดความสุขอีกนะแต่เราตื่นขึ้นมาอยู่เราก็จะจะฝันนอกจะกตอนเย็นจะไปเตะบอาแบบไหนคือไปคิดต่อคือเราเราเสกความสุขไปโยมันมันเหมือนพิ่จีมันก็เป็นการเสกติดอนี้ไม่ต่างกันมันเรามันต้องคนติดยาเสพติดล้วก็คือมันมันคิดว่าทําอบนั้นมันมีความสุขมันก็เตะไปอีกแต่นี่มันเตะความคิดเตะความคิดในด้านสุข แต่จริงวันนี้เราเสดความคิดต้านสุกนะต่อมาวันบางวันมันมีความคิดต้านฟุกขึ้นมาเราเคยเสดความคิดต่อมามันก็จะเป็สความคิดต้านทุกเหมือนกันคือมันเป็นอารมณ์เดียวกันแต่พี่น้องมันเปี่ยนอันนี้มันสุกเราก็เลยไปจมกับมันแต่พอมาบางวันมีความฟุกเราก็จะไปจมกับมันอีกเหมือนกันดังนั้นอย่ามาพลเห็นไหม ดีใจมากๆนะพอเราตื่นเป็นความดีใจมากๆพอรังข่าวเสียใจก็จะเสียใจมากเหมือนกันอารมณนนะ์มันวนันจะบินบินมากเลยเหมือนกับถ้าเราฟ้ามลูมกบอลขึน้นไปบนฟ้าอข้ามลงสูงนะมันก็ะท้อนลงมามันก็จะเด้งสูงเหมือนกันจิตของเราอนี่ยแบบมั น, นวันไหวไปทางทางสูงมา ก, นะ ม, ก, ออาากมากนะมันก็ความเครี่บันไดไปทางทวกนัน เราเคยไมเวลาเรารักใครมากๆพอมีปัญหามากๆเราก็จะทุกข์คนที่เรารักมากเหมือนกันนะจิตใจมีความเกลียดมากเลยจะมีนะแต่ถ้าบางคนเราไม่ได้ให้ค่ามากเขาจะทำอใไเราไม่ถูกใจแล้วเขาจะแก้โหนนิดนึงหือจริงเขาทาอะไรถูกใจแล้วก็สูบนิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าบางคนที่เราให้ข้ามากก็จะสูงมากถูกมากจิตเราต้องหมือนกันเทีห้เท่าให้คากับความคิดด้านถูกมาก มันก็ดีในแค่เพื่อขนาดน่นแต่พอมันเบี่ยงไปเป็นรูปแบบเราก็จะ ไ, ไ, ไม่มีเรรส์เือนเราเคยตามมันก็จะพาเราดุพาเรา คือวามน่ะค่อยๆไปทาดูไปทําดูดูที่ไหนดูที่ตัวมองเราเองนี่แหละดูดูกายดูใจค่อยแยกไปตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเราต่อไปมันจะแยกเป็นกายกับใจนะเป็นสมมตินี่คือกายอันนี้คือใจค่อยๆแยกไปมัสติคอยแยกกายส่วนหนึ่งใจส่วนหนึ่งต่อไปสติจะคอยแยกอันี้ก็อันี้ก็คือ ส่วนใจก็จะแยกไปอีกเป็นเสียนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตเหมือนที่เราได้สวดมนต์ตอนเช้านี่คือฐานห้าแต่ก่อนในฐานห้ามันรวมกันเป็นเราต่อไปก็ค่อยแยกนี่กายใจต่อไปกับขันทั้งหเนี่ยก็จะแยกไปเวทนาก็ส่วนหนึ่งสัญญาความจําด้าไหมายรู้ก็ส่วนหนึ่งสังขารการคิดปรุงแต่งก็ส่วนหนึ่ง วิญญาณารตัมรู้ก็ส่วนหนึ่งมันจะเห็นว่าชีวิตนะที่เราคิดว่าเป็นชีวิตนะจะเป็นเราแต่จริงมันประกอบด้วยขันธ์ห้าเท่านั้นดังนั้นตัมตู้มันแสดงไปแต่จริงแม้จะปัจฏิบัติธรรมขนาดไหนก็แล้วแต่นะมันก็ยังมีขันธ์ห้าแต่ว่าโดยย่อแล้วต้องบอกว่าผูกประธานฐันของธห้าคือตัวทุกคือการที่ไปยึดขันธ์ห้าเนี้ยก็เป็นเราที่มีตัวของทุกแต่ถ้าเราเห็นขันธ์ห้ามันแสดง ตายก็แสดงของมันไปเวทนาสัญญาสังสารวิญญาณก็ทํำนั้นที่เดินไปไม่มีเราก็ไปยิตว่าขันเป็นของเราเนี่ยมันจะไม่ทุกข์เพราะเมื่อกายมันแก่มันเจ็บท้ายตายไปก็คล้ายๆเหมือนนิ้วหายไปมันก็เป็นเลื่อดที่เห็นว่ากายมันหายไปไม่ไปทุกข์กับมันเมื่อเวทนาเกิดขึ้นจิตบางทีก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตแค่เพราะเราไม่ไปยึดเวทนาถ้าเป็นเรา มันต้องไม่ฟุ้งเพราะทนามนี่นะมันจะเห็นอาจารย์ทนะ่านสถิจะเป็นกิตติรออกมาอันนี้คือการขอความที่มั่นถื้มั่นจริงๆอยู่ตรงนี้สถิตจะค่อยๆถอ น, นะการปฏิบัติคือตรงนี้นะไม่ใช่ปฏิบัติเพ่ให้การมันดีถาวรไม่ปฏิบัติเพให้จิตมันดีถาวรถ้าเราเป็นยึดว่ากายมันดีจะให้มันมีเสมอแต่ยึดว่าให้จิตมันดีเสมอนะก็จะมีการคิลึนะ มันจะเป็นการยืดกล้ามเนื้ในหาที่ดีแต่เราปฏิบัติเพื่อเราจะเริ่มยืดล้วก็เห็นมันทำางานตรงไปดีมันจะดีไม่ดีก็เป็นเรื่องของการดันแต่มันยังไม่ถึงขั้นใน ง, ง่ายๆหรอกมันจะเข้าไปเป็นเริ่มยืดติดก็หอกน้นดูเข้าไปเป็นแล้วก็ไมีสิออกมาดูค่อยๆแยกตัวนันป็นบ่อยจ้งซุ้มมีอะไรเติมค ใ ห, ะนะให้เราตั้งใจบทอย่างิอ่าอย่าเราวันทีนักดนตการกให้เราปฏิบัติไปให้เป็นระจคือการที่เราทาเป็นประจํานี้ก็มันจะให้ผลกับเรงสม่สมอเาทาข้าวทนะุกอ่าแต่เราใช้ชีวิตให้ใหเป็นระเบีสม่เสมอแลที่สำคัญก็คือให้เรา ถ้าเราตั้นใจมากนะที่ว่าชีวิตนี้เราจะพาชีวิตของเราเนี่ยให้พ้นทุกข์ไม่ได้เรื่องอรก็พ้นทุกข์ไม่ได้จะเป็นชาติที่ชาติหน้ายังไงก็ตามนีแล้วเนี่ยก็ตรงเนี้ยก็คือให้เราอาศัยธรรมอาศัยําว่าตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นการสของพรเจ้าเนี่ยเป็นเป็นศาสนของเราก็ คือท uh, mm ี่ตรงนี้เอาไปแล้วก็ทํหนาเดียวกันก็อย่างเรื่องอย่างการทางสีที่แตกต่างกัน้ายอย่างกให้เราประมาตรงนี้ของเราสีห้านสีห้าก็ดีก็เป็นสิ่งที่ดีจากสีแปดได้ก็เป็นสิ่งที่ดีตรงนี้ก็คือเราคอยกักกับกายของเราด้วยเราคอยกักกับจัจของเราด้วยทางด้วยตรงเนี้ก็จะทําให้ชีวิตของเราทนี้ยคมสูงระเบียบนะครับ จะเป็นส่วนที่เกื้อหให้เราเนี่ยเข้าใจใน้ําใช้ทามด้วยแล้วก็เข้าใจในวทางด้วยตัวเนี้ยก็แล้วก็มีทางแล้วที่เราปื้อทำกันทุกคนเลยแลกับรียนร้ารรรอง